ดูแถวนั้นนะเวลาเขาลุกเขาทำยังไงเอาผู้ชายเนเดี๋ยวอย่าเพิ่งลุกอย่าเพิ่งลุกลุกไปทีละคนไหว้คนหนึ่งก็ลุกไปเราไม่ใช่ไปแห่พระเวสสันดรนั่นเนี่ยเนี่ยดูเขาเนี่ยเยเขาลุกไปไ ป, ไปลุกไปทีคนนเขาเน้เขาใจเขาว่าเป็นแถวไหมเวลาไปเนี่ย เวลาลุกเขาก็ไหว้คำไหว้นี่นกน้อมนะฮะไม่ใช่ทำพอเป็นไปทีนะี่ไม่ได้ไหว้ครูชกมวยนะี่เนี่ยไหว้พระอันเธอดูเอาตัวไหนตัวอย่างที่เขาทำดีมากๆดูเอาโบราณเขาสอนว่าลุกให้เป็นที่นี้ให้เบิงบอนยางไปยางไม้เบิงสิ่งเบิงของคนใหม่ดูคนเก่าคนเก่าเขาอยู่เขาทำยังไงเขาลุกก็นั่งเข้าไปเข้ามานะ อันนี้แถวไหนมันลุกไม่เป็นอย่างพวไงมันกินดูดูผู้ชายเขาลุกเขาแพมยังไงเนี่ยไปทีละคนนะใครไหว้ก่อนก็ไปไหว้แล้วก็ไปไหว้แล้วก็ไปไม่ใช่เหออกไปเลยเนี่ยเรื่องความละเอียดพวกนี้มันจะทำให้เราเห็นจิตของเราง่ายขึ้นคนไหนมีวินัยในตัวเอง วินัยในเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นจิตตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นการกระทําตัวเองดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะอะอย่างนั้นเราก็ไม่เห็นถ้าเราไม่ฝึกเราลองไปใหม่ดูดิหนิลองนี่แหละเขาต้องบอกว่ามาให้ทันเขาปฐมฤทเทศถ้าไม่ฝากทันแล้วขี้เกียจว่าเวลาเขาสอนระบบระเบียบอะไรเราไม่รู้เรื่อง ผมไม่รู้เรื่องกับเป็นภาระเวลาไปก็ไปใครไปมันอยู่ในวัดเนี่ยจะแห่ไปแห่มาไปห้องน้ำกับทีละสองคนสามคนถ้าเด็กราจะพัดเนี่ยเวลามันไปห้องน้ำเนี่ยมันไปทีละเป็นหมู่เป็นฝูงนะซึ่งไม่ใช่วิธีฝึกปฏิบัติธรรมอันนั้นคนละเรื่องกับการฝึกปฏิบัติ เวลาเอาแถวนั้นไปแถวนี้ไปเนี่ยคือคนใหม่มันมีเน่ะเขาเอาคนเก่าไปแล้วคนเก่าคนใหม่นี่ให้ดูคนเก่าเขาทํายังไงพรเธอไม่สนใจเวลาเขาไปเนี่ยนะคอยจะเอาหูฟังแต่ตามันไม่ดูไงนั้นมาอยู่ที่นี่ตาก็ทําให้เกิดปัญญาหูก็ทําให้เกิดปัญญาสังเกตเป็นเนี่ยไม่ใช่เขาจะเกาะหูอย่างเดียวนะมานี้เนี่ยเออถือสองมือเดินมา ถ้าเหมือนพระเขาอุ้มบาตรเน่ยเขาทํายังไงเดินตามก็มาเป็นแถวนี่ยต้อเหมือนพระไปวินทบาตทเนี่ยฉันนี่ก็ในกระมังเดียวมาอยู่ในนี้ช้อนนั้นเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่มีเสียงดังเลย้มันสงบมากที่สุดไม่ต้องไปยุ่งกับอะไระเพียงแค่อาหารใส่ปากเฉยๆเก็จะทําแบบง่ายๆแต่ไม่ใช่มักง่ายนเนี่ย ทำอะไรให้มันง่ายๆให้มันสะดวกเพื่ออะไรเพื่อมีเวลาได้ทำอย่างอื่นคนยาญ่นี่อุตสาหขึ้นเครื่องมาจากกรุงเทพใหม่ๆเนี่ยหัวเข่าดาเลยล้มเมื่อวานตีรังกายอยู่ที่บ้านหัวเข่าฟกช้ำเยอะยังมาอีกนะเพราะว่าตั้งใจเวลาต้องมาคือมามาแล้วก็อยู่นานแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเขาตั้งใจมาก ดีหน่อยเพราะว่ามาเข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังไม่ถึงหกสิบที่นี่เขาไม่รับคนหกสิบปีได้เอาดีๆได้พอหกสิบปีก็มาสอบดูเหมือนกันนะถ้าผ่านคือตอนบ่ายตอนบ่ายในนานนะเบื่อใจถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะมานั่งอยู่ในนี่ตอนเช้าเขาสอนเทคนิคโน่นนี่ให้พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอนบ่ายทําอย่างเดียวนะตอนบ่ายนี่ มาแล้วก็ไหว้อีหนูดูดูเขาทำํำนะเขามาทำยังไงแล้วค่อยนั่งนั่งขืนอีหลาลุกคุกเข้าขืนไหว้สะกก่อนจังนัง่งว่างถวยไหวแล้วก็ไหว้พระสก่อนจังนัง่งไหว้สวยๆเนี่ยพวกเธอนี่นี่ไหว้พระสะก่อนค่อยนั่งนั่งทับซ้นว่างถวยไหวจมถวยมาบุรุษเอาวางลงจมถวยมาบุรุษยกขืนไห้ถวยเนะี่ย เออเบิ้งเขาเห็ดมาหลวก็ว้างถวยลงเอ อ, เอาวายพระแบบนี้วายไผ่วายมันนะั่นแหะเออกลมลงกำตำกํามหัานเบื้งนี่ล่ะเขาลุกไปเขาลุกแบบไหนเขามานั่งเขาเห็ดแบบไหนนะเบืง้งฝึกเอาคืออย่ามารายาทนี่ยบางทีเกิดขึ้นเองไม่ต้องสั่งต้องสอนนะ่ะดูเอานะตาดูหูฟังแล้วก็เข้าใจ นุ่นตาเห็นโยมคนหนึ่งเข้ามาโยอมประจำอยู่ที่สํานัก ง, งานองค์การสาประชาชาติเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้สอนอะไรเลยมามันนั่งข้างหลังแล้วมันดูเขาทั้งที่เขาไม่เคยปฏิบัติเขาดูคนนั้นคนนี้แล้วก็หัดยกมือสร้างจังหวะเป็นเองเวลาไปล้างถ้วยเขาก็ล้างถ้วยเองล้างถ้วยเขาแล้วก็รอล้างถ้วยให้แม่ครัวหยิกนะไปปัดไปกวาดเอ๊ะเขาเก็บงานได้หมดเลยงานในวัดเนี่ยทําหมดอ่ะ โชคอย่าง ต, าตื่นเช้าก็ตื่นเช้าเสร็จแล้วก็ไปเดินจงกรมลงแถวไม่น่าเขาถึงไปทํางานไกลขนาดนั้นน่ะงานใหญ่งานตัวเขาสังเกตเป็นเขาฝึกเป็นนอกจากฝึกใจให้อยู่ตัวเองฝึกสามสี่วันนะเขาก็รู้จักรูปนามสี่วันสี่วันห้าวันเขาว่าเขาจะย้ายย้ายงานจากสหาวิทยาัยชาติเขาจะมาอยู่ที่ปูนซีเมนตไทยเขาก็เลยมาฝึกปฏิบัติทําก่อนก่อนที่จะออกจากงาน เพราขยันตั้งใจทําอ่ะนั้นหลายๆคนได้บอกได้สอนเเามากแต่บางคนนี่ไม่ได้สอนยากเขาสังเกตเป็นการนั่งการอะไรเนี่ยเขาทําเองตั้งต่เอาลองไม่สอนดูที่คนนี่มันจะรู้ไหมมันก็ดูเอาเองนะตั้งแต่มาลงรถถือกระเป๋ามาในนี่แหละเห็นเขาทำยังไงมันก็ทำไปตามเรื่องเขาเลยถามว่ามาจากไหนเขาว่าทํางานที่โน่นจากนั้นจะเปลี่ยนงาน บางคนสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกไม่เป็นไม่ดูมันมาได้ตัวตนนะเอาตักอาหารตักไว้ๆเดินหน้าเรื่อยไม่ต้องรัดคิวกันเด้อ